พลังพุท ธ, ธะพลังจักรวานในปัจจุบันนี้ชาวพุทธของเรานี่กำลังตื่นพลังใหม่ซึ่งมีชาวต่างประเทศเข้านำมาเผยแพร่พลังที่เขานำมาเผยแพร่นั้นเรียกว่าพลังจักรวานอะไรคือพลังจักรวานในจักรวานนี้มีสิ่งที่เป็นวัตถุซึ่งมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันมีอยู่สี่อย่าง